รายละเอียดเกี่ยวกับบทสวดมนต์ภาษาไทยและการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับบทสวดภาษาไทยที่ผมอัดเสียงไว้นะครับก็ได้อธิบายประโยชน์และเหตุผลของการสวดภาษาไทยล้วนไว้แล้วผมรู้ว่าต้องมีคนจํานวนหนึ่งที่ต่อต้านผมแน่นอนแต่ก็อยากให้มองว่าคนเรามีหลากหลายปัญญาความเพียรไม่เท่ากันนะครับ เด็กอนุบาลจะให้ไปวิ่งแข่งกับเด็กม .6 ก็คงทำไม่ได้จะให้เด็กอนุบาลไปขับเครื่องบินก็คงทำไม่ได้คนถนัดซ้ายจะให้ไปเขียนมือขวาก็คงยากคนเรียนหมอมาจะให้ไปถือปืนออกรบคนเรียนนาตสินจะให้ไปรักษาคนไข้ก็คงทำไม่ได้นะครับศา ส, สนาเราทุกวันเนี้ยส่วนหนึ่งที่ยังไปไม่ถึงไหนยังเข้าไม่ถึงวัยรุ่นและคนทั่วไป ก็เพราะพยายามจะให้เด็กอนุบาลไปขับเครื่องบินหรือพยายามจะให้ลิเกไปตรวจรักษาคนไข้นี่และครับบางทีก็เอาวิธีฝึกและอารมณ์ของพระอริยะหรือผู้ที่อินทรีย์แก่กล้าบารมีมากมาสอนคนเพิ่งหัดเดินมันก็เลยดูยากและน่าเบือ่อและก็เกินจะเข้าใจจะเข้าถึงได้ธรรมะคือความเป็นจริงทุกอย่างต้องมีขั้นตอนมีระดับมีความเหมาะสม มันต้องค่อยๆฝึกค่อยๆไต่ไปทีละขั้นไม่ใช่อยู่ทีเดียวกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยนะครับซึ่งในทางธรรมะก็มีอยู่จริงที่คนมาปุ๊บแล้วขึ้นสูงเลยแต่นั่นเขาสะสมบา ร, รมีมากี่ชาติแล้วครับแล้วก็เป็นคนแค่ส่วนน้อยพระพุทธองค์เองท่านก็ไม่ได้ทรงสอนคนทุกคนแบบเดียวกันมีทั้งสอนแบบให้ฝึกเข้มข้นและแบบง่ายๆแล้วก็มีเป็นระดับนะครับบางคน ท่านก็ตรัสเล่าเรื่องนรกสวรรค์กรรมเก่าชาติก่อนจนเต็มพระไตรัยปิฎกไปหมดแต่สำหรับบางคนท่านก็ตรัสว่าอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ทางดับทุกข์จนหลายคนชอบยกมาอ้างและกลายเป็นการบิดเบือนพุทธพจน์โดยไม่รู้ตัวนะครับมาหาว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้สนใจเรื่องนรกสวรรค์ไม่ให้สนใจเรื่องกรรมทั้งที่จริงแล้วการสอนคนแต่ละกลุ่มแต่ละคนมันต้องใช้วิธีการต่างกัน บทสวดมนต์ที่ผมสวดแปลเฉพาะไทยแล้วเรียบเรียงบทสวดประจำวันขึ้นใหม่ผมอิงหลักคำแปลของบทสวดจากหลากหลายครูบาอาจารย์นะครับซึ่งตั้งใจแต่งไว้ให้คนรอบข้างและใช้สวดเองแต่ก็เห็นว่ามีประโยชน์มากและได้ผลกับคนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่มากกว่าที่จะให้สวดบาลีโดยไม่รู้ความหมายนะครับหรือสวดแล้วต้องแปลอีกทีเพราะมันจะเยืนเย้อน่าเบื่อเกินไป ผมคงห้ามเสียงวิจารณและต่อต้านไม่ได้นะครับแต่ก็อยากให้คนที่ต่อต้านตั้งสติคิดสักนิดและพิจารณาให้เห็นตามจริงว่าในทุกสิ่งก็ต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคนแต่ละยุคเพราะเปลี่ยนแค่วิธีการแต่ความหมายเท่านั้นที่ยังคงเดิมแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนนะครับประโยชน์มันมีเสมอหากจะมองให้เห็นยกเว้นแต่ว่าจะติดรูปแบบติดพิธีการ อนุรักษ์นิยมสุดโตรงกันจนไม่รู้เลยว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วทุกวันนี้เด็กและเยาวชนเบื่อธรรมะขาศิลธรรมห่างไกลศา ส, สนาก็เพราะใครเพราะอะไรส่วนหนึ่งไม่ใช่เพราะยังยึดแนวทางแบบที่เผยแพร่และเชื่อกันอยู่ใช่หรือไม่หลายแนวทางก็เป็นของครูบาอาจารย์รุ่นหลังไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าสักหน่อยติดแต่รูปแบบกฎระเบียบวิธีการ จนลืมหลักความเป็นจริงจนลืมใจความสำคัญบาลีเป็นภาษาเพื่อคงความหมายของพระธรรมแบบครบถ้วนไม่ผิดเพี้ยนแต่ภาษาไทยคือภาษาเพื่อความเข้าใจอันลึกซึ้งของคนไทยเช่นเดียวกันหากสวดไทยล้วนไม่ดีถ้าอย่างนั้นพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมะต่างๆก็ทำไมไม่พิมพ์เป็นบาลีมาให้อ่านล่ะครับหรือพิมพ์บาลีประโยคแปลไทยประโยค กว่าจะเข้าใจความหมายก็คงใช้เวลาและเสียอัธรรในการสลับระหว่างสองภาษาพอสมควรท่านติดนัทฮันนะครับอาจารย์วิปัสนาชาวเวียดนามที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกท่านเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนต่างชาตินะครับส่วนหนึ่งท่านก็นำบทสวดมาทาเป็นเพลงแล้วก็เรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาง่ายๆให้เหมาะสมกับชาตินั้นๆเหมือนกัน จริงๆบ้านเราก็มีนะครับนำบาลีมาแปลเป็นไทยแต่ก็แปลเป็นภาษากาวีสมัยต้นกรุงซึ่งพอเวลาผ่านมาหลายร้อยปีภาษาชั้นสูงเหล่านี้ก็เป็นที่เข้าใจได้ยากสำหรับคนยุคปัจจุบันนั่นเลยทำให้อ่านพระไตรปิฎกหรือสวดมนต์แปลไทยแล้วก็ยังรู้สึกเข้าใจได้ยากและบางทีก็เหมือนจะไม่เข้าใจเลยก็มีเพราะต้องแปลไทยเป็นไทยอีกที ผมกล้าท้าเลยนะครับว่าให้เอาเด็กมาร้อยคนแล้วลองให้สวดแบบบาลีล้วนกับสวดบทที่ผมแปลเป็นไทยและบทที่เรียบเรียงขึ้นใหม่แล้วลองถามเด็กๆว่าสวดแบบไหนเข้าใจมากกว่ากันเกิดศรัทธามากกว่ากันน่าเบื่อหรือน่าสวดมากกว่าและอันไหนได้ประโยชน์มากกว่ากันซึ่งทุกอย่างหากไม่มีอคติตั้งต้นมาก่อนนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมองออกว่าอะไรคืออะไร สำหรับบทสวดพระาัททยล้วนนั้นทั้งสองบทที่ผมอัดเสียงไว้นะครับจะมีการใส่ดนตรีสำหรับฝึกสมาธิและคลื่นความถี่ที่มีผลต่อคลื่นสมองไปด้วยทำให้ผ่อนคลายจิตใจสงบและฟังฟังไปก็อาจจะรู้สึกง่วงได้นะครับสำหรับสองบทนี้นอกจากจะใช้ฟังหรือสวดตามทั้งสวดออกเสียงหรือสวดในใจก็สามารถเปิดฟังและหลับไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับ สามารถนำไปใช้ได้สำหรับคนทุกวัยทั้งเด็กเล็กคนน้อยไม่หลับคนที่ชอบฝันร้ายฟุ้งซ่านหรือคนป่วยจริงๆก็ฟังได้ทุกคนนั่นแหละครับเพียงแค่เปิดฟังนะครับจิตจะอยู่กับของสูงคลื่นเสียงที่ซ่อนอยู่ในบทสวดทำให้ผ่อนคลายข้อมูลและความหมายจากเสียงสวดมนจะเหมือนการโปรแกรมจิตที่ส่งผลต่อจิตใต้สานึกได้แม้ขณะหลับนะครับ มีผลทำให้หลับสบายฝันดีเป็นการหล่อเลี้ยงจิตให้ระลึกอยู่กับของสูงหรือคุณความดีต่างๆในทางวิทยาศาสตร์เสียงสดมน์และดนตรีที่ดีๆเนี่ยจะทำให้น้ำในร่างกายเปลี่ยนเป็นโมเลกุลหกเหลี่ยมนะครับซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพอย่างมากมีผลต่อผิวพรรณน้ำหนักและเสริมความแข็งแรงบรรเทาโรคได้สมองที่ได้รับการพักผ่อนในระดับลึกจิตเป็นกุศลไม่ฝันร้าย ก็ช่วยให้สุขภาพทั้งจิตและกายสมบูรณ์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจิตนั้นเขามีพลังมากนะครับหากมีศรัทธามากก็จะส่งผลมหาสัจจันท ร, ร์อย่างไม่น่าเชื่อเช่นหากเราเชื่อจริงๆเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเคารพ บ, บูชาเชื่อมั่นในความดีและมีความอ่อนน้อมจากภายในก็จะส่งผลดีๆให้ทั้งทางสุขภาพและชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรือง ซึ่งจริงๆแล้วหลักสำคัญมันอยู่ที่พลังงานของจิตที่มีพลังมหาศาลบันดานอะไรให้เราก็ได้ให้สังเกตว่าศาสนาไหนก็ตามนะครับหากมีศรัทธาและน้อมนำให้เกิดพลังจิตในแนวเดียวกันโดยเฉพาะเป็นศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ในทางที่ดีก็มักจะสมปรารถนาและเกิดปฏิหารขึ้นได้ แต่ต้องเป็นความเชื่อความเข้าใจที่ฝังลึกไปถึงจิตภายในคือจิตใต้สำนึกและเชื่อและมั่นใจอย่างสุดหัวใจนะครับถึงจะเป็นการดึงพลังงานมหาศาลของจิตออกมาใช้ได้จริงๆเป็นความจริงที่ได้รับการยอมรับจากผู้ที่ได้ศึกษาศาสตร์ทางด้านของจิตนะครับเป็นศาสตร์ใหม่ที่วงการวิทยาศาสตร์ให้การยอมรับและก็สนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้นะครับซึ่งความจริงแล้วมันก็เป็นศาสตร์เก่าที่มีมาแต่ดั้งเดิม เพียงแต่ภาษาที่นำมาสื่อสารอาจจะไม่ดูทันสมัยเป็นวิทยาศาสตร์เท่าสมัยนี้นะครับหากเราเริ่มต้นชีวิตด้วยความสดใสคิดดีคิดแง่บวกชีวิตทั้งวันจะเต็มไปด้วยสิ่งดีๆแม้เจอปัญหาก็จะมีสติในการแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสแต่หากอารมณ์ขุ่นมัวอยู่แล้วแม้แต่คนยิ้มให้เราก็อาจจะหงุดหงิดได้ เราหาว่าเขายิ้มเยาะเยะ้ยถากถา ง, างหากคิดดีจิตมีความสุขก็จะดึงสิ่งดีๆเข้าหาหากคิดไม่ดีจิตเป็นทุกข์ก็จะดึงเรื่องไม่ดีและความซวยต่างๆเข้าหายกตัวอย่างเรากำลังยิ้มใครผ่านมาเห็นก็ยิ้มไปด้วยรู้สึกสุขไปด้วยเรากำลังจะแต่งงานกำลังมีความสุขแล้วแฟนเพื่อนเราตายหรือมีเรื่องทุกข์ร้อนต่างๆ เขาก็คงยังไม่กล้าบอกเราในเวลานั้นคงต้องรอให้ผ่านงานแต่งไปก่อนหรือบางทีอาจไม่บอกเลยก็ได้ถ้าเรากำลังหงุดหงิดทะเลาะ ก, กับแฟนอยู่นะครับแน่นอนหากมีใครอยากจะเอาของขวัญมาให้เราเขาก็ต้องรอไปก่อนไม่กล้าให้หรืออาจจะไม่ให้เลยก็ได้จิตที่ผ่องใสมีความสุขเหมือนแสงสว่างที่ไล่ความมืดออกไป ศา ส, สนาพุทธจึงมีหลักง่ายๆให้ท่องจำว่าให้ทำบุญละบาปทำจิตให้ผ่องใสการที่จิตจะผ่องใสได้จริงๆเนี่ยก็ต้องเกิดจากการสะสมความดีและการเรียนรู้ขัดเกลาวตนเพื่อปล่อยวางลดละความยึดมั่นถือมั่นลงต้องแยกแยะด้วยว่าความสุขจากการที่พ่อแม่ได้กินของอร่อยกับความสุขที่พ่อแม่ยอมสละของอร่อยให้ลูกได้กินนั้น มันแตกต่างกันอย่างไรสำหรับเคล็ดลับการทําจิตให้ผ่องใสปกติผมก็ทําบรรยายอยู่นะครับเป็นการฝึกพลังจิตและสมาธิเบื้องต้นเพื่อนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของจิตและกายนะครับซึ่งกําลังจะอาจเป็นไฟล์เสียงไว้เผยแพร่ก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ผมเช่นเดียวกันนะครับหรือไม่ก็คนที่สนใจก็ติดตามและติดต่อไปบรรยายได้นะครับบรรยายฟรีไม่คิดค่าใช้ใจ่ายนะครับ การที่ร่างกายจะทำงานได้เต็มที่ตามคุณสมบัติมหัศจรรย์ของเขาที่เป็นอยู่เขาต้องเชื่อจริงๆเชื่อเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยท่านเรียกว่าจิตอิสระซึ่งอยู่ภายในเป็นสิ่งที่แยกออกมาต่างหากมีอิทธิฤทธิควบคุมบังคับร่างกายนี้ท่านยังสอนวิธีสะกดจิตตัวเองนะครับโดยการป้อนข้อมูลที่ดีให้กับจิตอิสระภายใน ซึ่งจะส่งผลให้รักษาโรคและสุขภาพดีได้จริงจิจิตอิสระเนี่ยตรงกับหลักของพระพุทธศาสนานะครับคือจิตเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้พูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือจิตเขาเป็นของเขาเขาอยู่ของเขาเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราสามารถให้ข้อมูลเขาได้ซึ่งการกระทําต่างๆในชีวิตประจวาวันของเรานี่แหละ จะเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในจิตส่วนลึกนี้และก็ส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้จิตภายในถ้าจะพูดให้ง่ายนะครับก็จะมีสภาพคล้ายอยู่ซ้อนในร่างกายเราเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราเผลอไปยึดคิดว่าเป็นตัวเรามาช้านานซึ่งการจะเห็นได้ชัดว่าจิตไม่ใช่เราต้องอาศัยการวิปัสสนาการเจริญสติเท่านั้นนี่คือทางออกจากทุกทางสายเอก ที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ให้พวกเรานะครับแต่น้อยคนนักจะได้สัมผัสได้รู้จักและเห็นผลการป้อนข้อมูลอย่างไรให้จิตใต้สานึกก็จะส่งผลให้จิตใต้สานึกแสดงพลังออกมาต่างๆกันเช่นหากเราคิดว่าเราป่วยแม้ไม่ได้ป่วยย้ำคิดจนจิตเข้าเชื่อจริงๆก็จะเกิดเป็นการเจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆ ในหนังสือของอาจารย์พรรัตนสุวรรณนะครับมีการกล่าวถึงการสะกดจิตโดยการเอาดินสอจี้ที่แขนแล้วบอกว่าเป็นไฟก็ปรากฏว่าผู้ถูกสะกดรู้สึกร้อนและมีรอยไหม้ขึ้นตรงบริเวณนั้นจริงๆหลายคนชอบคิดว่าตัวเองแก่แล้วทำอะไรไม่เก่งมันก็จะทำไม่ได้จริงๆเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องจริงๆสารเคมีในร่างกาย ฮอร์โมนต่างๆก็หยุดผลิตการซ่อมแซมร่างกายก็ลดลงเพราะจิตเขาเชื่อตามที่เราย้ำคิดว่าเราแก่แล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องผลิตไม่ต้องซ่อมสร้างอะไรให้มันแล้วเพราะเจ้าของร่างกายมันต้องการแบบนี้คือเขาเหมือนรับข้อมูลแล้วทำตามสิ่งที่เราชอบหรือคิดนะครับหากเราคิดว่าเรายังเด็กยังสดใสยังต้องเจริญเติบโตยังมีอนาคตคิดให้จิตใต้สานึกเขาเชื่อจริงๆ ร่างกายของเราก็จะแก่ช้ากว่าคนอื่นและจะยังผลิตซ่อมสร้างร่างกายได้ดีกว่าคนในวัยเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องขึ้นกับปัจจัยการดูแลตัวเองด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่คิดอย่างเดียวลำพังให้จิตเขาช่วยบริหารร่างกายมันแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นองค์ประกอบอื่นๆก็จาเป็นทั้งการกินการนอนการออกกาลังกายก็ต้องสมดุลกันด้วยแลวรวมถึงทุกอย่างมันก็อยู่ในหลักไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลง แม้จิตจะเชื่อว่ายัางเป็นเด็กแต่มันก็แค่ชะลอทุกอย่างมันมีวันหมดอายุเสมอนะครับร่างกายคนเราวันหนึ่งก็ต้องแก่แต่จะแก่แบบไร้แรงหมดสภาพหรือแก่แบบยังกระฉับกระเฉงสดใสเราสามารถเลือกเป็นได้เสมอนะครับนอกจากผลทางร่างกายที่เห็นได้ชัดแล้วจิตยังมีพลังยิ่งกว่านั้น คือเขาจะอำนวยสิ่งต่างๆให้เหมาะสมกับสิ่งที่เรากระทำเช่นหากเราชอบทำบุญชอบให้เขาก็จะมีพลังงานแห่งการให้สะสมไว้แล้วพลังงานพวกเนี้ยจะเป็นกระแสที่ดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้าหาจะทำให้เราเจอแต่คนดีๆเป็นคนชอบให้มีเมตตาเหมือนกันแล้วคนดีๆก็จะนำแต่สิ่งดีๆมาให้เราค้าขายอะไรเขาก็อยากอุดหนุน ทำงานเขาก็อยากผลักดันช่วยเหลือเมตตาเอ็นดูเป็นหลักง่ายๆว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับกลับคืนคือเมื่อจิตสะสมการให้พลังงานทางจิตก็จะดึงให้เราเป็นผู้มีทรัพย์เพราะจะได้มีไว้ให้อีกต่อไปไปเกิดใหม่จิตก็จะไปเกิดในตระกูลที่มีเงินเพราะมันเข้ากันได้กับพลังงานแห่งการให้ที่สะสมไว้ในจิตเรานะครับ คือต้องไปเกิดในที่ที่มีเงินเพื่อจะได้มีเงินไว้ให้ใหเราให้คนอื่นได้อีกส่วนคนที่ไม่รู้จักให้ขี้เหนียวเห็นแก่ตัวแน่นอนว่าจิตก็จะสะสมพลังงานแห่งการเห็นแก่ตัวไว้และก็ดึงดูดเอาคนเห็นแก่ตัวมาหาหรือดึงดูดให้ไปอยู่ร่วมอยู่ใกล้กับคนเหล่านั้น เหมือนคนกินเหล้าก็ต้องไปรวมกันในร้านเหล้าคงไม่ไปนั่งเอ๋ออยู่คนเดียวอยู่ในร้านนมปั่นแน่นอนนะครับจิตสะสมพลังงานแห่งการไม่ให้ก็ต้องไปเกิดในตระกูลที่ยากจนกับพ่อแม่ที่ไม่รู้จักให้เหมือนกันทำมาค้าขายทำงานก็เจอแต่คนเห็นแก่ตัวผลัดกันเอาเปรียบซึ่งกันและกันกฎแห่งกรรมมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ว่า จิตสะสมอะไรไว้มันก็ส่งผลแบบนั้นสะสมการไม่ให้เขาก็ไม่ให้มีเงินเพราะเขาคิดว่ามันไม่ต้องการเมื่อไม่อยากให้ใครก็ไม่รู้จะมีไว้ทําไมเปรียบเทียบให้เห็นแบบง่ายๆกับทางวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องของวิวัฒนาการของสัตว์ยกตัวอย่างเช่นงูเมื่อก่อนเคยมีขาแต่ต่อมามันไม่ค่อยใช้ ขามันเลยค่อยๆหดหายไปค่อยๆสั้นลงสั้นลงจนหายไปในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเป็นการสะสมข้อมูลผ่าน DNA และสืบทอดไปสู่รุ่นลูกหลานแต่ในทางวิทยาศาสตร์ทางจิตมันคือการสืบทอดข้อมูลผ่านจิตข้ามภพชาติไปหากเกิดเป็นสัตว์แล้วยากนักที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องวนเวียนเกิดเป็นสัตว์นั้นๆไป ตามพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้เป็นสำนวนว่าต้องเกิดใช้คำห้าร้อยชาติซึ่งจริงๆเป็นสำนวนแคกที่ท่านแค่อธิบายให้เข้าใจว่ามันเป็นเวลานา น, านมากไม่ได้หมายความว่าต้องห้าร้อยชาติพอดีนะครับเมื่อสัตว์ที่ต้องเกิดซ้ำๆเป็นสัตว์เดิมๆหลายชาติจิตเขาก็สะสมข้อมูลว่าอาวัยวะเนี้ยไม่ต้องใช้ไม่จาเป็น ก็ไม่ต้องสร้างมันออกมาในที่สุดสัตว์หลายชนิดก็พัฒนาจนปีกหายไปบ้างขาหายไปบ้างเพิ่มอวัยวะบางอย่างมาบ้างอย่างที่เห็นเห็นกันนั่นแหละครับคนเราก็เช่นเดียวกันในชาตินี้เลยนะครับหากเราไม่เดินเลยก็จะพิการขารีบหากออกกําลังกายทำงานหนักกล้ามเนื้อก็จะขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ทำงานหนักได้ หากเราทำอะไรในชีวิตประจำวันนั่นคือการสะสมข้อมูลให้จิตใต้สำนึกหรือจิตอิสระซึ่งเขาจะมีหน้าที่บริหารจัดสรรเสริมสร้างร่างกายตามข้อมูลที่เราให้ซึ่งส่งผลได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าเราพูดเพราะพูดเป็นประโยชน์จิตเขาก็จะสะสมข้อมูลไว้และสั่งให้ร่างกายสร้างรูปกายให้เกิดมาเป็นคนปากสวยเสียงเพราะ ถ้าเราชอบใช้แรงงานช่วยเหลือคนเขาก็จะให้เราเกิดมามีกำลังมากร่างกายแข็งแรงบางคนชอบใช้มือทำงานชอบไหว้พระมือไม้อ่อนต่อผู้ใหญ่ก็จะเกิดมามือสวยหลายคนขี้เกียจชอบผักภาระให้คนอื่นเอาแต่นั่งนั่งนอนๆอนเขาก็ให้เราเกิดมาอ้วนสมกับน้ำหนักกรรมต้องแบกน้ำหนักตัวเองให้เหนื่อยทำอะไรก็ลำบากกว่าคนอื่น และก็ให้สังเกตนะครับบางคนเนี่ยออกกำลังกายแทบตายก็ไม่ยอมผอมหุ่นก็ไม่ดีสักทีนะครับเพราะว่าเขาสะสมข้อมูลแห่งความเป็นคนอ้วนไว้หนาแน่นมากข้อมูลที่ส่งให้ร่างกายไม่จาเป็นต้องหุ่นดีแข็งแรงเพราะไม่ได้เอาไปทำอะไรอยู่แล้วไม่เคยสะสมความขยันมาแต่ก่อนแล้วพอมาเกิดใหม่ก็เลยเปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับ น, นี่เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของกรรมและการทํางานของจิตยังมีปลิทย่อยอีกมากคนอ้วนบางคนอาจจะไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่อธิบายมาแต่ต้นนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างบางคนอธิษฐานให้ตัวเองขี้เหร่ในชาติหน้าก็มีนะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าผู้หญิงบางคนเกิดมาอ้วนทํำยังไงก็หุ่นไม่ดีพอไปสะกดจิตระลึกชาติได้เท่านั้นถึงรู้ว่า ในชาติก่อนเธอเกิดเป็นหญิงงามและก็ด้วยความงามของเธอที่เป็นภัยกับตัวเองนะครับคือสวยมากจนถูกคัดเลือกให้เป็นนามบําเรอประจำเมืองเธอก็เลยอธิษฐานจิตไว้ว่าเกิดชาติหน้าชั้นใดขอให้เกิดมาขี้เรจะไม่ได้แน่ว่าอธิษฐานขอให้หุ่นไม่ดีด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก็ปรากฏว่าในชาติปัจจุบันก็ทาให้เธอเป็นคนที่มีน้าหนักตัวมากแลวก็เป็นคนขี้เรสมใจนะครับ เรื่องตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการโปรแก ร, รมจิตแบบตั้งใจนะครับก็คือเป็นการให้ข้อมูลกับจิตตัวเองว่าไม่ต้องการเกิดมาสวยอีกแล้วจิตเขาก็จำข้อมูลนี้ไว้และเมื่อเกิดใหม่ก็ไม่สวยสมใจดังนั้นสำหรับบางบุคคลนะครับเราก็ไม่อาจจะเหมาได้ว่าเขาต้องเกิดมาจากกรรมนั้นกรรมนี้โดยตรงนะครับอย่างอาจารย์พรท่านก็เล่าเหมือนกันว่าหลายท่านที่มีบุญบา ร, รมีมาก ก็ไปเกิดเป็นลูกของคนยากจนไปเกิดในแดนธุรากันดานก็มีเพราะว่าท่านต้องการสร้างบารมีลงมาเกิดเพื่อไปช่วยพวกเขานะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนขี้เหนียวและจะไปเกิดเป็นลูกคนจนเสมอไปในส่วนของร่างกายหลายอย่างไม่ต้องรอชาติหน้านะครับหากทำดีแต่เด็กๆในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ความดีก็จะสร้างร่างกายให้ใหม่ในชาตินี้เลยดาราหลายคนนะครับตอนเด็กก็ขี้เรแต่เพราะสวดมนต์ไหว้พระเป็นเด็กดีตักบา ท, ทุกวันโตมาเป็นนางงามเป็นนางเอกก็เยอะเด็กหลายคนตอนเล็กๆน่ารักโตมาขี้เรก็เยอะช่วงร่างกายกำลังพัฒนานะครับบุญกุศลสำคัญมากที่จะมีผลต่อ ก, การสร้างร่างกายให้ดีเลวแค่ไหนซึ่งปัจจุบันวิทยาศ า, ศาสตร์ก็พิสูจน์ได้แล้วว่า ความดีอารมณ์ด้านบวกมันส่งผลต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมอย่างไรส่งผลไปถึงเซลล์ได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ผมทำบรรยาอยู่ตอนนี้แล้วก็อีกไม่นานคงทำเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดไปฟังกันนะครับในกรณีคนที่จริญเต็มที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็อาจจะเห็นผลช้าแต่ก็ไม่ใช่จะไม่เห็นเลยหลายคนหันมาทำดีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วรูปร่างโครงหน้าหุ่นผิวพรรณ เปลี่ยนไปจนเหมือนคนละคนก็มีให้เห็นมากมายนะครับซึ่งกล้ายืนยันว่าหากคุณเร่งทำดีและพัฒนาตนเองจริงๆต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนจะมากจะน้อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็หากเปลี่ยนโครงร่างไม่ได้ที่เห็นชัดๆคือผิวจะดีขึ้นนะครับและก็จะดูหน้าคบหาอย่างที่เขาเรียกว่างโง่เห้งดีนะครับก็ไม่อยากบอกนะครับว่าตัวผมเองก็เปลี่ยนจนหลายคนต้องอึ้งว่าบุญกุศลเนี่ย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 จนไม่กล้าคบคนดีๆเนี่ยแหละครับที่มาของคําบอกเลิกที่ว่าดีเกินไปจริงๆนะครับคนชั่วเนี่ยมันคบคนดีไม่ได้หรอกรู้ว่าดีแต่ไม่มีสีสันไม่จีจ๊ดจ๊าดไม่โดนใจผมเองเนี่ยเจอมากับตัวเองซะเยอะกูรู้ผู้เชี่ยวชาญในการ อ, อกหักแบบพิสดารเลยนะครับใครมีปัญหาหัวใจแก้ไม่ตกลองแวะมาปรึกษาได้ที่เว็บไซต์นะครับ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 ถ้าหากเข้าใจตรงจุดนี้ก็จะเข้าใจว่าบทสวดแปลไทยล้วนที่เน้นความเข้าใจแม้เปิดฟังอย่างเดียวก็จะส่งผลมากมายกว่าที่คิดแค่ไหนเพราะเป็นการป้อนข้อมูลที่ดีให้กับจิตโดยเฉพาะหากเปิดก่อนหลับดนตรีบรรเลงและคลื่นความถี่ที่ใส่แทรกไว้นะครับจะมีผลต่อคลื่นสมองทำให้จิตสงบพร้อมรับข้อมูลได้ดีขึ้น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 ให้มีทั้งเนื้อหาครบถ้วนนะครับทั้งบทสวดโดยย่อของบทอุปปาตสันติบทบูชาพระรัตนตรยัยบทขอบขามาอโหสิกรรมการสมาทานศีลการแผ่เมตตาและอธิษฐานจิตเป็นบทสวดโดยย่อที่จำเป็นและชาวพุทธทุกคนควรจะสวดในทุกวันนะครับสำหรับเด็กเล็กอย่าคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องนะครับสามารถเปิดให้ฟังตอนนอนหลับได้เช่นกันขณะเราหลับจิตใต้สนึกเรายัางทางานอยู่